ที่ทําให้พระผู้มีพระภาคตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะปัจจัยสเหตุ4ี่และกําลังสเหตุปัจจัยและกําลังปัจจัย4ก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งข้อแรกบอกเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทําปาฏิหาริย์อย่างที่สองได้ฟังปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าอย่างที่สามฟังพุทธคุณอย่างที่สเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยกว้างขวาง ปัจใจัย4ประการนี่แหละที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีเหตุอีกสประการที่ทำให้พระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหตุสประการก็คือหนึ่งสมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเพราะเป็นคนสะสมบุญมาเป็นอย่างดีสองเป็นคนที่มีอัทยาศัยในกรุณาอย่างที่สามเป็นผู้ที่ปฏิบัติทนทุกข์ยากเพื่อสรรพสัตว์ได้ อย่างที่4ี่เพราะคบกัลยาณมิตรอาศัยกัลยาณมิตรซึ่งเราก็ได้ฟังไปแล้วในปัจจัยและเหตุอย่างละสี่ไปนี่มาขึ้นกำลังห้าพละหพละหที่เป็นปัจจัยให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพละหมีอะไรบ้างหนึ่งอัชติกะพละอัชตติกะนี่แปลว่าภายในกำลังที่เกิดจากภายในคือ ความชอบด้วยความเคารพในอัธยาศัยตนในสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเป็นผู้มีอัทยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นเคารพในคุณธรรมของตนอชัชติกะพละอชัชติก ะ, ะแปลว่าภายในกําลังภายในหมายถึงเคารพในกุศลธรรมของตนว่าตนนั้นมีกุศลธรรมเพียงพอที่จะทาให ปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพันกําลังภายในอันนี้ก็ลักษณะของหีรินั่นเองเป็นผู้ที่มีหีริประรบถึงคุณธรรมที่มีที่ได้สั่งสมมาที่ได้ปฏิบัติมาที่มีกําลังมากพันพระมหาบุรุษนั้นมีตนเป็นใหญ่มีหีริคือความละอายเป็นที่พึ่งอาศัยและถึงพร้อมด้วยพินิหารคือการตั้งความปรารถนาแล้วบําเพ็ญบารมีจึงบรรลุสัมมาสัมโพธทญาณ ก็แสดงว่าอาศัยฮิริเป็นเครื่องกระตุ้นให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่เคารพตนมากคำว่าเคารพตนก็คือเคารพคุณธรรมของตนที่ตนเจริญมีความเชื่อมั่นในกุศลที่เจริญได้มาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเชื่อมั่นในบุญกิริยาวัตถุที่สั่งสมมาเป็นอย่างดีนั้นจึงมีความเคารพตนยำเกรงตน เ, เห็นเรียวแรงเห็นพลังเห็นความสามารถของตนว่า ตนสามารถเจริญคุณธรรมประพฤติบา ร, รมีทั้งหลายตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนี้แหละเป็นกําลังอันที่หนึ่งที่ทําให้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ากําลังอย่างที่สองเรียกว่าพาหิระภะระกําลังที่เกิดจากภายนอกกําลังที่เกิดจากภายนอกก็คือความพอใจอาศัยคนอื่นในสัมมาสัมโพธิญาณ หมายความว่าอาศัยการบอกกล่าวแนะนำจากผู้อื่นเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวพระมหาบุรุษนั้นมีโลกเป็นใหญ่มีความนับถือเป็นที่พึ่งอาศัยและถึงพร้อมด้วยอพินิหารบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็อาศัยโลกโลกก็คือคนอื่นอาศัยผู้อื่นเนี่ยกระตุ้นเตือนว่า <Workers. S 2> นะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเป็นผู้ Math ที่มีอัธยาศัยกว้างขวางเห็นไหมความทุกข์ของสับปสัตว์ทั้งหลายทำไมท่านไม่ช่วยเขาเป็นต้นเนี่ยนะก็ได้รับการกระตุ้นเตือนจากภายนอกอาศัยการกระตุ้นเตือนจากภายนอกทำให้อ่าทำให้เกิดกําลังในการตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พูดแบบสมัยใหม่ก็เรียกว่าได้รับเสียงเชียร์จากที่อื่นนะคนอื่นเขาเชียร์นะเขาเชียร์ก็ เ, เห็นเห็นว่ามันจําเป็นจริงๆจําเป็นมากที่เห็นความทุกข์ยากของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็มีผู้อื่นที่คอยให้กําลังใจเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยทําให้ได้รับพะละงกาลังในการเจริญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นปัจจัยเกิดจากการกระตุน้นเตือนจากภายนอกก็ทําให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้นั่นนะ อย่างที่สอุปนิสยาพละกําลังคืออุปนิสัยคือความพอใจด้วยอุปนิสัยสมบัติในสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปโดยส่วนเดียวคือท่านมีอุปนิสัยสั่งสมบุญมามากพันพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่มีกําลังมากเป็นผู้ที่มีความฉลาดนันะ ฉลาดรู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็อาศัยสติถึงพร้อมด้วยพินิหารบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพันอุปนิสัยภายในทวนอีกครั้งนะว่าข้อแรกอาศัยหิริปารลบภายในอย่างที่สองอาศัยโอตตปะพรลบภายนอกอย่างที่สามเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดีอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสังสมคุณงามความดีมามากแล้ว เรียว่าตรวจตราดูคุณสมบัติของตนว่ามีกําลังพอที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้จริงๆเพราะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยสั่งสมมามากอย่างสุดท้ายเรียกว่าประโยคนพระภะกำลังคือประโยคะการประกอบด้วยความเพียรหรือประโยคะการประกอบโดยรอบนั่นเองความถึงพร้อมด้วยความเพียรความเป็นผู้ทําด้วยความเคารพ ประโยคะเนี่ยแปลว่าทําโดยรอบหรือว่าทําอย่างดีเนี่ยนะทำอย่างดีมาเงินเถอะทำแบบคนที่เอาใจใส่คันนี้สิ่งที่กระทำในที่นี้หมายถึงคุณงามความดีบุญกุศลเนี่ยนะทำด้วยความเคารพทํากุศลเหล่านั้นทําอย่างต่อเนื่องอาศัยประโยคะนี่แหละทําให้เจริญกุศลด้วยความเคารพเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องในสัมมาสัมโพธิญาณ ขามหาบรุษนั้นเป็นผู้มีประโยค่บริสุทธิ์ประพฤติปฏิบัติเป็นลำดับถึงพร้อมด้วยพินิหารตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีแล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณพระละสี่ข้อเนี่ยนะจำง่ายๆก็คือข้อแรกฮิริข้อสองโอตัปปะข้อสอุปนิสัยสมบัติข้อ4ประโยค่สมบัติเนี่ยนะประโยค่สมบัติก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยประโยคะ ประโยชนคือการเจริญกุศลในอดีตผู้ที่มีประโยคะมาเรียกว่าโยคาวจรนะพวกโยคาวจรคือเป็นคนที่เจริญกุศลสมถาวิปัสนาเนี่ยมาเป็นอย่างดีอันนั้นเรียกว่ามีประโยคน์เป็นอย่างดีแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อเพื่อการตรัสรู้แล้วก็อัธยาศัยกว้างขวางลักษณะมีใจเผื่อแผ่ไปในผู้อื่นอยู่เสมอเนี่ย เรีว่าเป็นพวกที่ไม่ยอมอิ่มแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะบางคนเนี่ยอย่างแบบทั่วๆไปก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่าบางคนนี้อิ่มคนเดียวไม่เป็นทานคนเดียวไม่เป็นซื้อของใช้เฉพาะตัวไม่เป็นเนี่ยนะจะต้องทุกอย่างจะต้องแบ่งปันให้คนอื่นอยู่เสมอคือโดยพื้นฐานและเป็นคนลักษณะนั้นอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาถึงพร้อมความปรารถนาอันนี้จะสาเร็จได้จริงก็ต่อเมื่อมีการประชุมธรรมะแประการ ประชุมธรรม8ประการนั้นจึงสมบูรณ์ถ้าไม่อาศัยคุณธรรม8ประการนั้นการตั้งความปรารถนาก็ไม่สมบูรณ์พอที่จะเป็นฐานให้คนคว้าบารมีพุทธกุรกะธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่อภิิหานการตั้งความปรารถนาอันนี้ก็ต้องอาศัยปัจจัย4ประการอาศัยเหตุ4ประการและอาศัยกําลังสประการพันปัจจัย4เหตุ4ี่กำลัง4ี่เป็นปัจจัยแห่ง อภินิหารอภินิหารนั้นเป็นปัจจัยแก่บารมีทัานอภินิหารเนี่ยเป็นมูลเหตุของบารมีถ้าไม่มีอภินิหารการบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็มีไม่ได้อันหนึ่งทำทั้งหลายอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีอีกสี่ประการเรียกว่าอัจฉริยะอัภูตธรรมสิ่งที่น่าอัศจรรย์สิ่งที่น่าอัศจรรย์อภูตะไม่เคยมีอยู่สประการ ตั้งอยู่ในมหาบุรุษด้วยความเป็นไปของผู้ใดคือควมว่าไอสิ่งที่นะ่าอัศจรรย์คืออะไรคือความความคิดของท่านเนี่ยนะยึดถือหมู่สรรพสัตว์ด้วยจิตที่รักดุจบุตรเกิดแต่อกของตนท่านมองว่าคนทุกคนคือลูกของท่าน น, นะเหมือนกับลูกที่เกิดจากอกเกิดจากตัวหรือเกิดจากใจของท่านเพราะผู้ที่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นลูกเนี่ยนะไอความรับผิดชอบจะมีขนาดไหน มันก็มีสามัญญสํานึกในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่จิตของผู้นั้นจะไม่เศร้ามองด้วยอำนาจความเศร้ามองถึงบุตรแต่ว่ารักสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนลูกก็จริงแต่ว่าไม่ได้เศร้าใจเพราะลูกแปลว่าไม่เศร้ามองไม่เศร้าใจไม่ลำบากใจเลยเป็นผู้ที่มีการุณารักสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นและท่านยังมีอัธยาศัยมีความเพียร มีอัธยาศัยที่จะนํามาซึ่งประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์มีการกระทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพันธม ร, รมคอันทําให้เป็นพระพุทธเจ้าของตนเนี่ยนะที่เจริญขึ้นเจริญ ข, ขึ้นก็เพราะมีอัธยาศัยที่จะนําประโยชน์และความสุขมาให้แก่สรรพสัตว์มีความเพียรที่จะนํามาซึ่งประโยชน์สุขให้แก่สรรพสัตว์ไอความที่ มีอัธยาศัยอย่างนี้มีความเพียรอย่างนี้จึงสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่ากยิมในใจว่าถ้าตรัสรู้แล้วผู้อื่นจะตรัสรู้ถ้าตัวเองตรัสรู้แล้วผู้อื่นจะตรัสรู้ถ้าตัวเองหลับทุกข์แล้วผู้อื่นจะหลับทุกข์ถ้าตัวเองปรินิพานแล้วสัตว์อื่นเขาจะปรินิพานนั้นจะต้องรีบขวนขวายในการสร้างบุญกุศลสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าถ้าตัวเองตรัสรู้เร็วเท่าไหร่ผู้อื่นก็พ้นทุกข์เท ไปข่าวว่าคนป่วยใช่ไหมป่วยหนักมากะนะและมียาคนที่มียาวว่าถ้าตัวเองไปถึงเร็วเท่าไหร่เขาหายเร็วเท่านั้นเป็นต้นนะนะก็ลักษณะนั้นก็มีแต่ความภาคเพียรพยายามบากบัน่นอันหนึ่งพระมหาบุรุษประกอบด้วยความหลังไหลแห่งบุญกุศลอันสูงที่สุดอันเป็นปัจจัยแห่งความเป็นไปเป็นอาหารแห่งความสุข ท่านนี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุญกับอย่างเช่นบุญก็คือบุญกิริยาวัตถุกุศลก็คือกุศลที่สิ่งที่ไม่มีโทษที่มีอยู่ในตัวท่านเนี่ยมากมายท่านนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายความเป็นไปของท่านนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยพื้นฐานปกติเนี่ยถ้าจะสแสวงหานาบุญ ท่านนี่แหละคือนาบุญเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานท่านในระหว่างถึงจะท่านจะเป็นปุตุชนอยู่ก็จรงิงแต่ท่านก็เป็นบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานขณะเดียวกันท่านเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพอย่างสูงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นที่ตั้งแห่งความหนักนะไม่ใช่เป็นบุคคลที่ควรเข้าไปเข้าไปแบบขาดคาระวะนะไม่ใช่แบบเข้าไปทาตัวแบบขาดความคาระวะในท่าน ขณะเดียวกันท่านนั้นเป็นนาบุญคือเป็นบุญยเขตไม่มีใครเหมือนถามว่าทำไมท่านจึงเป็นผู้ที่เป็นนาบุญก็เพราะท่านเป็นผู้มีประโยคะบริสุทธิ์และมีอาสยะบริสุทธิ์เนี่ยนะประโยค่คือการประกอบอยู่แต่ในบุญกุศลคุณงามความดีอัธยาศัยของท่านก็เป็นอัธยาศัยที่มุ่งกำจัดโลภะโทสะและโมหะมีอัธยาศัยที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจาก ความทุกข์เนื่องจากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างนี้จึงเป็นนาบุญที่ไม่เหมือนใครยากที่จะมีนาบุญเช่นนี้อภินิหารคือการตั้งความปรารถนามีคุณมากมายมีอนิสงฆ์มากมายอย่างนี้ตั้งแต่ความคิดอันนั้นเนี่ยนะความคิดที่ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการตั้งความปรารถนาอันนั้นจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีเนี่ยนะจึงเป็นปัจจัยแห่งบารมีอีกในหนึ่ง มหากรุณาและความเป็นผู้ฉลาดอุบายก็เหมือนอภินิหาร น, นั่นและแปลว่าอะไรแปลว่ามหากรุณาก็เป็นปัจจัยแก่บารมีความเป็นผู้ฉลาดในอุบายก็เป็นปัจจัยแห่งบารมีถ้าท่านไม่มีกรุณายิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆท่านจะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าหรือเพราะว่ากรุณาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะ เ, เห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันท่านฉลาดในวิธีว่าจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรสงสารเขาจับจิตจับใจแล้วตัวเองรู้วิธีด้วยถามว่าบุคคลเช่นนี้จะเพิกเฉยอยู่ได้หรือตัวเองอัธยาศัยใหญ่นะเมื่อความที่ตัวเป็นผู้มีอัธยาสัยใหญ่เห็นความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วรู้ด้วยว่าตัวเองช่วยเขาได้ท่านจะนิ่งนอนใจหรือบอกไม่เพราะนั่นแหละเป็นตัดใ จ, จที่สาคัญให้สร้างบารมี ปัญญานี้เป็นนิมิตเครื่องหมายแห่งโพธิสมภารปัญญานี้สำคัญมากเลยนะถ้าไม่มีปัญญาเป็นนิมิตถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องหมายให้ทานไม่ได้หรอกถ้าไม่ฉลาดในอุบายจริงก็ให้ทานไม่ได้ถึงให้ทานก็อาจจะให้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะให้ครั้งเดียวแล้วเลิกหรือให้ให้ในขอบเขตที่จำกัดจำกัดทั้งเจตนาจากัดทั้งของที่ให้จากัดทั้งผู้รับมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลย ถ้าไม่ได้เอื้อนไขรก็ไม่ให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้อัธยาสาัยคับแคบเพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเมื่อไม่ฉลาดไม่มีปัญญาก็เลยไม่สามารถที่จะให้ทานพรันปัญญานั้นจึงเป็นเครื่องหมายแห่งการให้ทานเพื่อโพธิญาปัญญานั้นเป็นเครื่องหมายที่ให้รักษาศีลเพื่อโพธิญาปัญญานั้นเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมาย ให้ท่านเจริญให้คัมมะเพื่อโพธิญาณมันทุกอย่างนี้บารมีทุกข้อมีปัญญาเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายเป็ น, เ ป, นเป็นตัวจำแนกเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะต่อไปบอกว่าความไม่คำนึงถึงสุขของตนควรขวายในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นลำดับไม่สนใจว่าตัวเองนี่จะจะเสื่อมจากความสุขเท่าไหร่ก็ไม่ไม่สนใจไม่ได้เก็บมาคิดว่าอย่างที่เขาบอกว่า ตอนที่เป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าพระองค์เนี่ยเข้าพระสมาบัติเนี่ยนะเข้าพระสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติอันนะหรือเข้าสมาบัติต่างๆมากมายเนี่ยพระองค์จะมีความสุขขนาดไหนพระองค์เข้าพร ะ, ะสมาบัติเนี่ยสักหนึ่งนาทีเท่ากับเรามีความที่เรียกว่าสุขๆของเราเราเนี่ยนะเป็นล้านๆปีก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของสุขของท่านแป๊บเดียวของท่านเนี่ยนะ แล้วท่านสละสุกที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่ท่านสามารถสุกโดยส่วนเดียว7วัน8วัน3วัน5วันเนี่ยสละสุกเหล่านั้นมาตรากตราสังขารเนี่ยนะเคยได้ยินบ่อยมาบอกออให้พระสารีบุตรแสดงต่อ บ, บอกพระองค์เมื่อยพระองค์จะพักก่อนเนี่ยนะแล้วทำไมต้องทนเจ็บปวดแล้วก็เดินให้อาเจียนอะไรนะเดินไปอาเจียนถ่ายมาเป็นเลือดเป็นต้นเนี่ยนะอดอยากหิวโห้ ย, ยไปฉันอาหารที่ที่ไม่ได้ร ด, รดอร่อยอะไรทําไมพระองค์ต้องทนทุกข์ยากลําบากเหล่านั้นเนี่ยนะ ก็เพราะกรุณานั่นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าน่าอัศจรรย์เต็มที่แล้วใช่ไหมแต่ก็ยังอัศจรรย์น้อยกว่าถ้าเทียบกับเป็นพระโพธิสัตว์ทาไมเพราะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีคุณธรรมอย่างอื่นรองรับมากมายมีพุทธคุณอย่างอื่นรองรับมากมายแต่ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้มีคุณธรรมเช่นนั้นขนาดนั้นท่านก็ยังสละความสุขความสุขใดๆที่มีอยู่ก็สละหมดเลยเนี่ยนะสละความสุขของตน โดยหันไปทําประโยชน์เกื้อกูลทําความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วการปฏิบัติของท่านเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นไม่ใช่ทําแบบตอนแรกช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ค่อยลดผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนผ่อ น, อ น, อ น, อ น, อนไม่ใช่ลักษณะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่พวกพระจานทร์ข้างข้างแรมพระอาจารย์ข้างแร ม, รรแรมตอนแรกก็เต็มดวงอยู่ใช่ไหมตอนหลังก็แหวงไปเรื่อยแหวงแหวงแหวงแวงในที่สุดก็เดือนดับแต่ถ้าพระจานทร์ข้างขึ้นอะตอนแรกอาจจะเล็กแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มที่สุด เดือนเพนหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะเพราะนั้นกุศลที่ท่านทําก็ไม่ตกต่ําการเพิ่มภูมประโยชน์ให้แกสัตว์อื่นก็ฉันนั้นความประพฤติปฏิบัติของพระมหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่สิ่งที่ทําได้ยากก็เป็นเหตุเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัพพะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะแม้ในเวลาเลื่อมใสการตรัสรู้การเห็นการฟังการระลึกถึงย่อมสําเร็จแก่มหาบุรุษ ด้วยความเป็นผู who олог, who ้ฉลาดในอุบายแห่งความเป็นกรุณาเนี่ยนะตรงนี้หมายถึงว่าความเลื่อมใสในอะไรความเลื่อมใสในบารมีทั้งหลายการรอบรู้ในบารมีการเห็นบารมีการฟังบารมีการตามระลึกถึงบารมีพระโพธิสัตว์ท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะท่านเลื่อมใสในทานในศีลในเนคขมมะบารมีทุกข้อท่านเลื่อมใสหมดท่านรู้ว่าบารมีนี้จะสร้างอย่างไรท่านเห็นเลยว่าบารมีนี้เป็นอย่างไร มีใจยินดีในการฟังเรื่องการสร้างบารมีทุกอย่างแล้วก็ระลึกถึงบารมีที่ตัวเองได้เคยกระทำมาเพราะท่านจึงสามารถบำเพ็ญบารมีจนประสบความสำเร็จก็เนื่องจากว่าปัญญานั่ น, นแหละปัญญาที่รอบรู้ในบารมีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะการุณานี่นะกรุณาอธิบายว่าความสำเร็จแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดจากปัญญาของพระโพธิสัตว์ ไม่มีปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาแจะสร้างบารมีได้อย่างไรความสําเร็จแห่งการปฏิบัติตนของพระพุทธเจ้านี้สําเร็จด้วยกรุณาถ้าไม่มีพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์จะบําเพ็ญพุทธกิจทั้งหลายหรือทั้นพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะทำด้วยกรุณาบอกว่ามีกรุณาเป็นเป็น เหมือนคนบางคนเนี่ยทำอะไรไม่ทําเองอะ่ะถ้ามีคนสั่งให้ทำอ่ะทำชั้นใดก็ดีพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาของท่านยิ่งใหญ่มากทีนี้โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยขวนขวายน้อยทีนี้กรุณาบอก ท, อออทําเถอะช่วยเถอะช่วยเถอะทำเถอะทำเถอะกรุณาก็เลยเหมือนอะไรนะเหมือนกับพลังงานที่ผลักดันให้ปัญญาเนี่ยทำกิจอย่างเต็มที่ก็อาศัยกรุณาพระองค์ข้ามได้ด้วยตัวเองก็เพราะ ปัญญามีปัญญาจึงสามารถช่วยเหลือให้ตัวเองข้ามสำเร็จขณะเดียวกันก็ยังให้ผู้อื่นข้ามด้วยที่ทำได้อย่างนั้นก็เพราะการุณาเนี่ยนะกรุณาอันถ้าบอกว่าพระวินัยเนี่ยมีกรุณาเป็นสมุทฐานพระสูตรนี่มีกรุณาและปัญญาเป็นสมุทฐานพระพิธรรมนี่มีปัญญาเป็นสมุทฐานแต่รวมความว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดเกิดจากการุณาเนี่ย น, นะแต่ก็ยางว่านะถ้าไม่มีปัญญาอาอะไรมาสอนมันันน่ กรุณาอย่างเดียวก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วพันต้องอาศัยปัญญาที่ปัญญาเหมือนกับเครื่องมือของกรุณาพรัะสามารถช่วยเหลือตัวเองจนสําเร็จก็เพราะมีปัญญาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็อาศัยกรุณากําหนดรู้ทุกข์ของคนอื่นด้วยปัญญาปรารบช่วยเหลือให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยกรุณาเห็นเลยนะกำเน็จความทุกข์ของคนอื่นว่าเขาทุกข์อย่างไรบ้าง1 2ึ่งกระจายความทุกข์ของเขาเห็นความทุกข์ของเขาทั้งหมด พอเห็นอย่างนั้นแล้วก็น้อมไปเพื่อจะช่วยเหลือเขาด้วยการุณาเพราะว่าสามารถช่วยเหลือเขาได้ตัวเองจริงๆก็เป็นผู้ที่เบื่อหน่ายในสังสารทุกข์ด้วยปัญญาแต่ก็รับทุกขนั้นแล้วแล้วเล่าเล่าก็เพราะการุณาเนี่ยนะก็ทนอยู่ด้วยการุณาการุณานี่มันทำให้ทนได้ทุกอย่างเหมือนกันนะพระองค์นั้นมุ่งต่อพระนิพพานเป็นที่ดับทุกด้วยปัญญา แต่ก็อยู่ในวัตฏะด้วยกรุณา ใ, น ใ, นใจของท่านจริงๆเนี่ยนะปัญญาของท่านบอกว่ามุ่งนิโรสัจกับมัคสัจจะมุ่งนิโรสัจกับมัคสัจจะแต่ก็ทนอยู่ในชาติชรามรณะชาติชรามรณะอยู่นั่นแหละก็ด้วยกรุณามุ่งต่อสงสารด้วยกรุณาแต่ก็ไม่ยินดีในสังสารนั้นด้วยปัญญา อนะมุ่งไปเวียนไหวตายเกิดมุ่งไปเวียนไหวตายเกิดเวียนไหวตายเกิดอยู่นี่ยนะไปไหนไปแก่ไปตายไปไปแก่ไปตายไปเกิดไปแก่ไปตายไปเกิดไปแก่ไปตายไปเกิดเนี่ยนะใจเนี่ยมุ่งไปแก่ไปตายไปเกิดเพื่อสร้างบารมีโดยส่วนเดียวแต่ถามว่ายินดีในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไหมชอบไหมบอกไม่ชอบเนี่ยนะรู้เข้าใจอะไรทั้งหมดใช่ไหมบอกใช่แต่ว่ากรุณาเนี่ยทำให้มุ่งต่อสงสารแต่ไม่ได้ติดใจในสงสารนั้นด้วยปัญญาเนี่ยนะ เพราะรู้จักอะไรพระองค์ใช้คําว่าเรานี่มุ่งสแสวงหาอัศสสาธาอาทีนวานิสรณะของมหาภูตรูปสีอายตนะและก็ขันตามเป็นจริงนี่ยนะเที่ว่าสแสวงหาว่าอะไรคืออัศสสาธาอาทีนวานิสรณะพันการบําเพ็ญบารมีของพระองค์ก็คือการศึกษาการทําวิจัยว่าอะไรคืออัศสสาธาอาทีนวานิสรณะของมหาภูตรูปทั้งหลายของอายตนะทั้งหลายของ อุปาทานขันห้าทั้งหลายเนี่ยนะพันใจจริงก็ไม่ได้ยินดีในสังสารวัฏอะไรเลยแต่ก็อยู่นั่นแหละด้วยปัญญาเนี่ยนะเบื่อหน่ายในที่ทั้งปวงด้วยปัญญาแต่ก็เพราะเป็นไปตามกรุณาจึงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงจริงๆแล้วที่ไหนที่มันน่ายินดีสําหรับท่านมีไหมบอกไม่มีอ่ะแล้วทาไมไปไปไ ป, ไปก็เพราะกรุณานั่นแหละก็เลยมุ่งไปปลอดเปลื้องสัพพะสัตว์ทั้งหลาย คือโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ท่านก็มองเห็นทุกแห่งเหมือนอะไรก็เหมือนกับอะไรนะเนคขมัติัยาศัยท่านบอกว่าทั้งหมดคือคุกหมดแหละว่างั้นแต่ก็ไปไปตามกรุณาว่ากรุณานี้กระตุน้นตวนว่าไปช่วยปลดเปลื่องสัตว์ให้พ้นทุกข์นะสงสารสัตว์กรุณาต่อสัตว์เนี่ยนะทั้งปวงด้วยกรุณาก็คือปกติอยู่ด้วยกรุณาพรหมิหารเนี่ยนะ เป็นไปตามปัญญาจึงมีจิตเบื่อหน่ายในที่ทั้งปวงคือใจจริงก็สงสารเขาละแต่ว่าเห็นพิษภัยของสังสารวัฏแล้วน่ากลัวเหลือเกินนะนั้นก็เลยเบื่อหน่ายในสังสารวัฏเต็มที่แต่ก็กรุณานั่นแหละคารุณาแบบคนเอางี้ก็แล้วกันเวลาที่เคยเห็นคนที่กระโดดตัวเข้าไปช่วยคนไฟไหม้ไหมแบบแบบมีเกราะเนี่ยนะไปช่วยเขาถามว่าสงสารคนที่กำลังถูกไฟไหม้ใช่ไหมบอกใช่ ชอบให้ตัวเองไฟไหมใช่ไหมบอกไม่อ่ะแล้วทำไมไปดึงคนอื่นบอกสงสารเขาคล้ายๆแบบนั้นอ่ะนะเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือคนที่ถูกไฟไหมไม่ได้ยินดีเลยที่จะเข้าไปในกองเพลิงแต่ก็อยู่ไม่ได้ก็เพราะมีใจกรุณาก็เลยต้องต้องทำแต่กิจอย่างเนี้ยนะทั้งๆ ท, ที่ไม่ชอบชอบไฟไหมไม่ชอบอ่ะแล้วทำไมเข้าไปกรุณากรุณาคําว่ากรุณานี่มันยิ่งใหญ่นักแล้วมันก็เลยเรียกว่ามหากรุณา ในพระไตรปิฎกน้อยมากที่จะมีคําว่ามหาเมตตาแต่ว่ามีแต่มหากรุณามหากรุณีโกนาโทหิตายะนั่นแหละที่เราเอามาสวดกันนะนะเวลามีงานมีอะไรก็มหากรุณ ah oh ap ีโกนาโทหิตายะสัพพปานินังป oh ุเรตวะปารมีสัพปะปโตสัมโพติมุตตมังเนี่ยนะถ้าไม่มีกรุณาจริงๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกกิจทั้งหมดเหล่านี้ต่อไปว่าความเป็นผู้ไม่มีอาหารการ ม, มังการด้วยปัญญา ไม่มีความเกียจคร้านด้วยกรุณาไม่มีความเกียจคร้านไม่มีความเศร้าก็ด้วยกรุณาหมายว่าความที่ท่านมีปัญญาเนี่ยท่านไม่พองเลยไม่ลำพองในตัวเองเลยและไม่สําคัญว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่สําคัญว่าเป็นเราด้วยมานะไม่สําคัญว่าเป็นของเราด้วยตัณหาเนื่องจากท่านมีปัญญานะมีปัญญารอบรู้ความเป็นจริงๆไม่สาคัญว่าเป็นเราและเป็นของเรา แต่อะไรนะบางคนบอกว่าโอ้เมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครจะทุกข์ใครจะเดือดร้อนก็ช่างช่างเขากันละกันเหมือนกันนะก็ช่างเขาไปอะไรไปแต่นี่บอกไม่ปัญญาบอกว่าไม่สําคัญว่าเราว่าของเราแต่ก็ไม่เกียรติคร้านไม่มีความโศกเศร้าด้วยกรุณายินดีเต็มใจที่จะช่วยเหลือเรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มใจที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ ช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจใจใจไหนใจมีหลายประเภทนะในี้ใจที่เป็นกรุณาความเป็นที่พึ่งของตนและคนอื่นความเป็นผู้มีปัญญาและก็กล้าตามลำดับด้วยปัญญาและกรุณาแปลว่าท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนท่านดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้เพราะมีปัญญาและเป็นที่พึ่งของคนอื่นก็เพราะการุณา ความเป็นผู้มีปัญญานี่แหละทําให้ท่านารักษาตัวอยู่ได้เนี่ยนะโดยที่ไม่ตกต่ําไปในอกุศลเป็นต้นแต่ก็กล้าช่วยเหลือคนอื่นก็เพราะการุณาบอกว่าเพราะปัญญานี่แหละไม่ทําตนให้เดือดร้อนเพราะการุณานั่นแหละจึงไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนคนคนถ้าคนไม่มีปัญญาเชื่อไหมทําอะไรตัวเองเดือดร้อนเข้ามาทุกทีเลยนะก็เรียกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นเมื่ อ, อไหร่เข้าเนื้อทุกที ไม่ใช่เพราะช่วยเหลือแต่เพราะตัวเองขาดปัญญาพันผู้มีปัญญาเจองไม่เบียดเบียนตนไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ทําตนให้ลําบากโดยประการทั้งปวงขณะเดียวกันก็ไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะมีกรุณาคนมีปัญญาเนี่ยสมมุติถ้าจะดจ้องทําลายคนอื่นมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยที่จะสร้างความเสียหายให้แก่คนอื่นเนี่ยมันง่ายได้เหลือเกินทำแค่นิดเดียวเนี่ยคนอื่นเสียหายอย่างชนิดที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้แต่ก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอก ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงก็เพราะมีกรุณาทำประโยชน์ของตนให้สำเร็จด้วยปัญญาทำประโยชน์ของผู้อื่นให้สำเร็จก็ด้วยกรุณาเนี่ยนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์หลายๆโลกตลอดจนถึงประโยชน์ในการบรรลุมรรคผลนิพพานประโยชน์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์เหล่านั้นสำเร็จแก่พระองค์ก็เพราะพระองค์มีปัญญา พระองค์แสวงหาประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้แกสัพพะสัตทั้งหลายก็ด้วยการุณาความเป็นผู้ไม่มีภัย น, นะผู้ไม่มีภัยไม่หวาดกลัวท่านเนี่ยไม่มีความน่ากลัวอะไรเกิดในตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวว่าท่านไม่มีภัยคิดว่าคนไม่มีภัยเป็นยังไงทำยังไงตัวเองจึงมีความปลอดภัยได้ดูแลตัวยังไงจึงกับปลอดภัยอันนี้ทำนได้ยังไง ก็ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานี้จะสามารถทำให้ตัวเองปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้กลัวต่อคนอื่นเลยเพราะมีกรุณาไม่ได้กวาดกลัวไม่กลัวสังสารวัฏไม่ได้กลัวสัตว์อื่นไม่เห็นมีใครน่ากลัวแม้แต่คนเดียวก็เพราะอะไรก็เพราะมีใจกรุณาต่อเขาอะเมื่อกรุณาต่อเขาจะกลัวเขาไหมบอกไม่กลัวตัวเองไม่มีความไม่มีความกลัวเลยแล้วก็ไม่กลัวใครตัวเองไม่มีความกลัวเพราะมีปัญญา ไม่ได้หวาดกลัวต่อผู้ใดเพราะมีกรุณาถ้าหากว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเดินเข้าไปในในเดินเข้าไปหาลูกสุดที่รักจริงๆเลยนะถามว่าเราจะรู้สึกว่ากลัวไหมรู้สึกกลัวไหมถ้ากลัวอย่างนั้นเนี่ยแม่พระองค์คลิมานจะเดินไปหาพราะองค์คลิมานเลยเขาบอกมีความสามัญยะสำนึกว่าเป็นลูกมันจะเป็นมหาโจรมาจากไหนก็ช่างเถอะถ้าสายมัญยะสำนึกเขาบอกว่าลูกไปหาได้ ใช่ไหมเพราะามีใจว่าเออจะช่วยเขาน่ะ น, น, นะเรียกว่าไอความผูกพันรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่เขาเป็นลูกเราช่วยเขาได้นะไปขอร้องลูกลูกอย่าทำอย่างงี้ไปก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าหวาดกลัวต่อลูกอะไรเลยอันนั้นด้วยกรุณาฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ได้พระองค์เนี่ยไม่มีความน่ากลัวพระองค์นี้ไม่มีภยัยไม่มีอันตรายโดยประการทั้งปวงอันนี้พระพุทองค์มีปัญญาพระองค์กลัวต่อพระองค์คุลิมานไหม พระองค์กลัวต่ออาะวะาจยักษ์เป็นต้นไหมในสังสารวัตเนี่ยท่านต้องประสบอะไรอีกมากมายท่านกลัวไหมไม่กลัวเพราะอะไรเพราะการุณาเนี่ยนะ